สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธยาพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตสุภาษิตในวันนี้ปรากฏอยู่ในบทที่24ข้อที่28จนถึงข้อที่34สุภาษิตบทที่24ข้อที่28จนถึงข้อที่34โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าอย่าเป็นพยานปรักปราเพื่อนบ้านของเจ้าอย่างไม่มีเหตุ และอย่าล่อลวงด้วยปากของเจ้าอย่ากล่าวว่าข้าจะทําแกเขาอย่างที่เขาได้ทําแล้วแก่ข้าข้าจะตอบแทนเขาตามการกระทําของเขาข้าผ่านไปที่ไร่นาของคนเกียดครานข้างสวนองุนของคนไม่มีสามัญสำนึกและนี่เนี่มีน้ำงอกเต็มไปหมดหน้าดินก็ปกคลุมด้วยต้นเหงือกน้ําและกําแพงหินของมันก็พังลง เมื่อข้ามองดูและได้พิเคราะห์ข้าเห็นและได้รับคติสอนใจหลับนิดเคิ่มหน่อยกอดมือพักนิดหน่อยแล้วความจนจะมาหาเจ้าอย่างขโมยและความขัดสนอย่างคนถืออาวุธพี่น้องครับเราอยู่ในถ้อยคำที่4ถึง6ในวันนี้ครับซึ่งจะจบถ้อยคำเพิ่มเติมที่โซโลมอนหรือนักป ร, ราช ได้กล่าวกับลูกหลานของเขาในถ้อยคาที่สนะครับเกี่ยวข้องกับการเป็นพยานในศาลหรือการให้การเท็จถ้อยคำที่5ก็จะเกี่ยวข้องกับการแก้แค้นและถ้อยคำสุดท้ายนะครับที่สำคัญมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันก็พูดถึงเรื่องการความเกลียดคานกับพี่น้องพระเจ้าในวันนี้ในข้อ28ครับเริ่มต้นด้วยการที่บอกว่า อย่าเป็นพยานปักปั้มเพื่อนบ้านของเจ้าอย่างไม่มีเหตุและอย่าล่อลวงด้วยปากของเจ้าอย่า ก, กล่าวว่าข้าจะทำแกเขาอย่างที่เขาได้ทำแล้วแกข้าพี่น้องครับตรงนี้พูดถึงเรื่องของการปรักปร้มเพื่อนบ้านอย่างไม่มีเหตุและให้การเท็จครับการให้การเท็จหรือการเป็นพยานเท็ดเป็นสิ่งที่น่าเกลียดน่าชังของพระเจ้า การที่เราจะให้การเท็จทำให้เกิดการทำร้ายชื่อเสียงของคนอื่นหรือเรียกร้องเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นอย่างไม่ยุติธรรมหรือแม้กระทั่งการให้การเท็จนั้นก็สามารถที่จะกระทําการเอาชีวิตของผู้อื่นได้พิงารณาครับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกห้ามไว้ครับสิ่งเหล่านี้ผิดพระคัมภีร์และผิดพระบัญญัติของพระเจ้าโดยเฉพาะยิ่งบัญญัติสิบประการข้อที่9ครับ การหลอกลวงโดยใช้คำพูดเป็นสิ่งที่ผิดพี่น้องครับให้เราที่จะพยายามทำให้ถูกต้องด้วยคำพูดที่พูดความจริงนั่นหมายถึงว่าการที่เราจะพูดถึงคนอื่นจะต้องพูดด้วยความเป็นจริงอย่ามีเหตุผลหรือมีจุดประสงค์ทางร้ายที่เราจะพูดถึงคนอื่นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญครับ ในการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีเรามีสามะคายธรรมที่ดีกับพี่น้องด้วยเหตุนี้ในการประยุกต์ใช้ข้อพระคัมภีข้อนี้ก็คือว่าเราเองนั้นจะต้องไม่เนินทาว่าร้ายคนอื่นครับต่อไปเป็นถ้อยคําที่5ครับที่เกี่ยวข้องกับการแก้แค้นพระคัมภีบอกว่าอย่าแก้แค้นเลยในข้อ29ครับอย่ากล่าวว่าข้าจะทําแก่เขาอย่างที่เขาได้ทําแล้วแก่ข้าข้าจะตอบแทนเขา ตามการกระทาของเขาภาษาอังกฤษนั้นคำว่าแก้แค้นนั้นคือ payback หรือคำว่า revenge เมื่อเราพูดถึงเรื่องของการแก้แค้นพี่น้องครับพระคมภี์ก็เตือนเราอย่าให้เราแก้แค้นเพราะการแก้แค้นนั้นจริงๆแล้วเป็นของพระเจ้าครับเพราะว่าความยุติธรรมที่แท้จริงความยุติธรรมที่ถูกต้องมาจากพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับถอยคานี้ทาให้เราได้ต้องกลับมา ดูชีวิตของตัวเราเองว่าเราเองนั้นเป็นคนที่ชอบเก็บชอบจํานะครับแล้วก็ชอบแก้แค้นหรือไม่พี่นนท์ครับขอพระเจ้าได้หยิบยกเอาจิตใจแห่งการแก้แค้นจิตใจแห่งความขมขื่นความเจ็บใจความเจ็บปวดสิ่งเหล่านี้ครับขอพระเจ้าหยิบยกออกกออกจากชีวิตของเราครับอย่าให้เรามีการแก้แค้น หรือความยากที่จะแก้แค้นหรือเห็นศัตรูตกทุกได้ยากแล้วเราก็มีความยินดีปรีดาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรขอว่าเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีแม้ว่ากับศัตรูของเรากับคนที่ไม่ปรารถนาดีกับเราด้วยต่อไปเป็นถ้อยคำที่6กนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเกลียดคานพี่น้องครับ คนที่เกียรติค้านั้นพระกัมพีใช้คําที่เกี่ยวข้องกับความเกียรติค้านตรงนี้ว่าเป็นคนที่ไร้สามัญสำนึกครับความเกียรติค้านหรือคนที่ไร้สามัญสำนึกนั้นเขาไม่เตรียมที่นาของตัวเองให้พร้อมเพราะว่าในข้อที่30นั้นพระกัมพีกล่าวว่าข้าผ่านไปที่ไร่นาของคนเกียรติค้านข้างสวนองุ่นของคนไม่มีสามัญสำนึกนี่แน่ มีหนามงอกเต็มไปหมดหน้าดินก็ปกคลุมด้วยต้นเหงือกหนามและกำแพงหินของมันก็พังลงพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ปรากฏกับไรนาของคนเกียรติการกำแพงหินนะครับที่อยู่รอบทุ่งนานั้นไม่ได้รับการซ่อมแซมกำแพงหินคืออะไรครับกำแพงหินก็คือเป็นรั้วครับสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นรั้วรวดหนามนะครับเพื่อที่จะป้องกันโจรที่จะมาขโมย รหรือน้ำวัชพืชคืออะไรครับก็คือหลักฐานการแสดงว่าคนที่เป็นเจ้าของนั้นเกียดติค้านนะครับไม่มีที่ว่างสำหรับให้ต้นอังุนขึ้นมีแต่ต้นเงือกน้ำซึ่งเป็นวัชพืชในข้อ32เป็นข้อที่ประทับใจผมมากเพราะพัมพีบอกว่าเมื่อข้ามองดูและได้พิเคราะห์ข้าเห็น และได้รับคติสอนใจพี่น้องครับจากการมองดูชีวิตของคนไร้สามัญสำนึกหรือคนเกียจคร้ารและได้คิดได้ใช้วิจารณญาณเขาได้เห็นและได้รับบทเรียนเพียงครับเมื่อเรามองดูชีวิตของตัวเองและมองดูชีวิตของคนอื่นชีวิตของตัวเองก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับทั้งบทเรียนที่ดีและบทเรียนที่ไม่ดี ในขณะที่เรามองดูชีวิตของคนอื่นเรามานั่งวิเคราะห์เราใช้วิจารณญาณเราใช้การไข่ควรเราก็จะเห็นว่ามีบทเรียนเกิดขึ้นจากชีวิตของคนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระภีข้อนี้บอกว่าเมื่อมองดูชีวิตของคนที่ไม่มีสามัญสำนึกมองดูชีวิตของคนเกียจค้าร น, นะครับเราเองจะได้รับคติสอนใจว่าหลับนิดเคริมหน่อย กอดมือพักนิดหน่อยแล้วความจนจะมาหาอย่างขโมยความขัดสนอย่างคนถืออาวุธความจนมาหาอย่างขโมยก็คือเป็นเรื่องที่เขาไม่รู้ตัวครับคนไร้สามัญสำนึกคนเกียจค้านไม่รู้ตัวว่าความจนจะมาถึงเขาอย่างคาดไม่ถึงนะครับอีกในหนึ่งครับความจนจะมาหาเขาอย่างคนถืออาวุธเหมือนกับทหารที่คอยซุ่มโจมตีพี่น้องครับ พอเจ้านาพรเจ้าได้เตือนเรานะครับที่เราจะไม่ทําผิดต่อพระเจ้าไม่ทําผิดต่อพระเจ้าในเรื่องใดบ้างครับในวันนี้ผมจะขอสรุปนะครับอย่าเป็นพยานเท็จครับอย่านินทาว่ารไรคนอื่นอย่าแค่แคนและอย่าเป็นคนเกียจครานไรสามัญสำนึกขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองจะมีเป้าหมายในชีวิตของเราในวันนี้สะสมคําสอนของ พระเจ้าจากพระวจนะของพระองค์ที่เราจ ะ, จะไม่เป็นคนที่ชอบพูดถึงเรื่องคนอื่นในแง่ที่ไม่เป็นความจริงและเราเองนั้นจะต้องไม่มีจิตใจแก้แค้นแต่เราจะต้องให้อภัยเราต้องรักศัตรูของเราอธิษฐานเผื่อคนที่ข่มเหงเราครับและในเวลาเดียวกันเราควรที่จะดูชีวิตของตัวเองดูชีวิตของคนอื่นแล้วได้รับบทเรียนโดยพิ่งยิ่งเราจะต้องไม่เกียดค้าน ไม่เป็นคนที่ไร้สามัญสำนึกอาเมน